เรื่องภิกษุหลายรูปสองสมิหสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันประนีตจำวัดหลับขาดสติสำประชัญญะน้ำอสุจิออกมาจากความฝันพวกท่านเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทว้ายว่าภิกษุจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นสังฆาทิเศษแต่พวกเรานี้ มีน้ำอสุจิออกมาเพราะความฝันในความฝันนั้นมีเจตนาพวกเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นมีอยู่แต่ไม่ควรกล่าวว่ามีวงเล็บลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้ เป็นต้นเหตุแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาปิดวงเล็บรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้